ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนเราว่ายิ่งพวกเราเป็นบรรพชิตด้วยแล้วมีโรคอยู่สี่อย่างแทรกซ้อนชอนชัยเข้าไปสู่หัวใจพระเนนโดยไม่รู้ตัวหนึ่งโรคมากๆเป็นพระมากๆมุมมามอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนกระวนกระวายใจไม่รู้จักพอโดยพานุ่งพาหม่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัย และยารักษาโรคเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักลดละปล่อยวางไปที่ไหนก็แบกหามสิ่งเหล่านี้ไปด้วยไม่เป็นสมณะที่เบาสบายเบากายเบาจิต2เมื่อเกิดโรคมากๆแล้วโรคลามกจ ก, กระเรดก็ตามตา ม, ตามกันมาเหมือนนัดกันไว้ที่จุดหมายคือความเร็วซามต่ำช้าทำได้ทุกอย่างที่จะให้คนมานับถือ เพื่อที่จะได้ราสกสการะมาปนเปร์ความหูโหยของใจที่ไร้ศีลธรรมส <3. S 1> เมื่อจิตใจมันส ก, กปรกลามกเข้าเต็มเป่าแล้วย่อมพยายามวิ่งเต้นขวัญขวายเพื่อที่จะได้มาซึ่งความนับถือและราบส ก, การะและการสรรเสริญอย่างไร้อย่างอายหน้าด้านต่อศีลต่อธรรมสพระประเภทที่จิตใจเป็นอย่างนี้มักจะเข้าไปสู่สกุลที่ร่ำรวย ทำทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้เข้ามานับถือมักจะกล่าวท ร, รมาปลอมๆ อ, อันไ พ, พร่เพราะเพราะพริงเป็นฉากหน้าซ่อนเร้นความละโมบโลภมากไว้ในเบื้องหลังแสดงตนเป็นประดุษไม่มีความโลภ ท, ทั้งทั้งที่มีความโลภจัดมีขันติอดทนอดกลั้นเพื่อให้เขามานับถือโรคทั้งสี่อย่างที่ผมกล่าวมานี่แหละให้พวกท่านระวังมันร้ายกว่าโรคที่พบป่วยอยู่เสอีก ขอให้พวกท่านจงนำไปพิจารณาอยา่าป่วยอย่าให้เฉยเฉยโดยไม่เห็นคุณเห็นโทษไม่งั้นจะแจ้ไม่ได้ใช้การไม่ทันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเราพรยายามปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เป็นเวลาสามเดือนอาการอาภาษของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆจิจวัตย์ที่ต้องทําถวายท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำคือในตอนพบคำ่ำเข้าไปถวายการบีบนวดเวลานวดท่าน ให้เอามือกำตามแขนตามขาท่านกำย้ายไปย้ายมาอยู่อย่างนั้นทำด้วยวิธีอย่างนี้คืนละหลายๆายชั่วโมงวิธีการนวดกำแบบนี้ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูประมาจานเคยบอกกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าพวกพระเนรหนุ่มธาตุไฟดีถ้ามาบีบมากำตามแขนตามขาให้คนแจแจ่ไฟธาตุมันช่วยได้มากทำการบีบกำนวดอยู่อย่างนี้สมเดือน ท่านก็ฟื้นจากอาพาธและหายเป็นปกติในระหว่างที่เป็นพระคีฬานุปถากในท่านพระอาจารย์มั่นอยู่นั้นเรื่องความเพียรก็คงเร่งต่อไปเมื่อติดขัดปัญหาทำเรื่องใดก็จะนําไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นเสมอๆวันหนึ่งเราเดินจงกลมอยู่ริมป่าที่ป่าเปิดมีผู้หญิงร้องเพลงขับอันประกอบไปด้วยธรสแห่งธรรมประสานกลมเกล่นกับธรรม ที่กำลังสัมผัสเพ่งพิษพินิษฐพิจารณาอยู่ภาษาธรรมที่เขาร้องเอื้อนด้วยความไม่มีสตินั้นกลับย้อนเข้าสู่ดวงใจที่กําลังเพ่งพิษธธ ร, รมนั้นอยู่จิตนั้นก็รวมลงสู่ฐานของจิตโดยฉับพลันเพลงขับนั้นเขาร้องเป็นภาษาอีสานว่าทุกอยู่ในขันหาห้อมลงมาขันซีทุกอยู่ในผาออมปอมผาหายห้อมอายอยู่ผู้เดียว ทูกอยู่ในโลกนี้มีแต่สีท้นถูกอยู่ในเมืองค้นมีแต่ตนเดียวหายทูกอยู่ในขันหาร่วมลงมากขันซีถูกอยู่ในโลกนี้ล่องคอยอยูภูเดียวเขาร้องเป็นทํานองไพเราะมากบางคราวสงสัยเรื่องนิมิต ท, ที่เกิดกับจิตกิ่งนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าครูบาอาจารย์ถ้านิมิตเกิดขึ้นในขณะภาวนาจะให้กระผมทาอย่างไร ท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบว่าให้รำพึงถามไปว่าอะไรหมายถึงอย่างไรแล้วนิมิตก็จะอธิบายออกมาเองจึงกราบเรียนถามท่านต่อไปอีกว่าครูบาอาจารย์ก็สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั้นมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่หรือครับก็มันไม่ใช่ของจริงนะสิก็มันเป็นเพียงของใช้ของใช้ก็สำหรับใช้ไม่ใช่ของจริงท่านพระอาจารย์มั่นตอบแล้ว ท่านก็ยิ้มเปิดโลกด้วยความเมตตาเราถือท่านเป็นเหมือนพ่อแม่ท่านก็คงเห็นเราเป็นเหมือนลูกเพราะลำบากอยู่ด้วยกันแ ล, แล้วแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็เทศนาธรรมให้ฟังว่าฟังให้ดีนะท่านเจี้ยปฏิภาคนิมิตนั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนาจึงจะบังเกิดขึ้นได้หุคหานิมิตนั้นเป็นของไม่ถาวรต้องพิจารณาให้ชานานแล้ว เป็นปฏิภาคนิมิตรเมื่อชำนานทางปฏิภาคทวนกระแสเข้ามาเป็นตนปฏิภาคนั้นเป็นส่วนวิปัสนาสำหรับอุปจารสมาธิสามารถรู้วาะจิตของผู้อื่นได้สามารถแก้นี้วอนได้แต่โมหะคลุมจิตถ้าจะเริยนวิปัสนาถึงขั้นอปปนาสมาธิแล้วจะต้องทำความรู้ให้เต็มเสียก่อนจิต จ, จึงจะไม่อ่อนไหว การที่จะสอนการดําเนินสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้เพราะว่าจริตของคนเรามันต่างกันแล้วแต่ความฉลาดไวพริบของใครเพราะการดําเนินจิตมีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่ความสะดวกนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยปีติสมาที่อย่างเดียวที่แสดงตามนิมิตออกมาทั้งหลายนั้นก ร, รุณาท่านอย่าหลงตามนิมิต ไม่พยายามทวนกระแสจิตเข้าสู่จิตเดิมเพราะนิมิตทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหลงเชื่อนิมิตประเดี๋ยวก็เป็นบ้าการที่จะแก้บ้านิมิตนั้นต้องทวนกระแสจิตเข้าสู่จิตเดิมอย่างบางทีเรานั่งภาวนาอยู่กลางป่าเขามีเสือมานั่งเฝ้าเราผู้บำเพ็ญพรตอยู่กลางป่าเพียงลําพังเสือนั้นเป็นเทพนิมิตเจดีย์มากถ้าเป็นเสือจริงๆมันเอาเราไปกินแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาพูดธรรมะให้ฟังเพียงสั้นๆเท่านี้ก็ก่อเกิดความจินใจเป็นอย่างยิ่งนึกถึงธรรมะคาสอนและองค์ท่านเมื่อไหร่น้ําตาปริ่มไหลเพราะความถึงใจทุกทีน้ําตานี้จึงเป็นน้ําตาที่มีคุณค่ามากนะท่านพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่ปา่าเปรอะประมาณหกเดือนและออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาพักสนทนาธรรมกับท่านเจ้าขุนอุบาลี ที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพแล้วเดินทางมาพักที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาออกจากนครราชสีมาก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีเข้าพักที่วัดโพธิสมพรซึ่งเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นผู้นิมนต์ออกจากวัดโพธิสมพรท่านพระอาจารย์มั่นก็ปรารพที่จะไปพักป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพชื่อว่านนนิเวศในขณะนั้นเรา ก็ได้เดินทางร่วมและจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่ป่าช้านนิเวศสองพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมที่ป่าช้านนิเวศให้เราฟังว่าการปฏิบัติการพิจารณาธรรมให้เห็นปัจจุบันธรรมอย่าทรงจิตถึงอดีตอนาคตจะเป็นความกังวลและฝุ่งซ่านไปเพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงออกมาจา ก, กจิตคือพระไถ่ที่บริสุทธิ์นั้น การดับทุกนั้นคือการรู้เท่าทันทุกไม่ยินดียินร้ายการพิจารณากายให้รู้เท่าทันทุกให้รู้ตามความเป็นจริงเวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่ไม่มีเข้ามาและอย่านำสิ่งที่มีอยู่ออกหรือตัดออกอันนี้จะเป็นความไม่ละเอียดในการพิจารณาการปฏิบัติตามมรรคแปดนั้นสมาธิมรรคเป็นสาคัญมากนอกนั้นเป็นส่วนบริยาย เมื่อเราปฏิบัติสังเกตด้วยธรรมและอาการของธรรมที่จิตถึงขั้นละเอียดประนีตแล้วก็จะเป็นสันทิฏฐิกะบุคคลคือเป็นผู้รู้ผู้เห็นเสื้อเองเวลาปฏิบัติสมาธิด้วยจิตตภาวนาถ้าจิตเราส่งออกนอกวงกายจิตนั้นยังไม่เป็นมหาสติมหาปัญญาจิตนั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นทางดาเนินอันชอบนักปฏิบัติสาคัญที่สุดต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ พยายามรักษาจิตให้เสมออย่าให้ขึ้นลงตามกิเลสที่มาก่อกวนการรักษาจิตให้เป็นปกติได้จะมีความสุขในการปฏิบัติจิตนี้เมื่อเราปฏิบัติถึงจุดแห่งผลอานิสง์นั้นจะหาประมาณมิได้การปฏิบัติทางจิตจึงเป็นความจําเป็นแห่งบุคคลผู้มีปัญญาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดธรรมะข้อหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลึกลับที่สุด เป็นที่พึ่งทาววอนแก่เราได้นั่นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตนรู้ตนแล้วก็จะรู้ในสิ่งทั่วไปเพราะตัวตนนั้นแหละเป็นเหตุเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งท่านก็ว่าก็สอนอย่างนี้เสียอันนี้แหละพอจาได้ตอนนั้นหลวงปู่หลุยท่านเจ้าคุณธรรมเจดีท่านก็มาพักฟังธรรมะอยู่ด้วยสาหรับ ลักษณะอุปนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นหลวงปู่หลุยท่านได้บันทึกไว้ที่วัดป่าโนนิเวศในขณะนั้นท่านพระอาจารย์เกี้ยก็อยู่อุปถัมภ์ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่นั้นด้วยเนื้อความนั้นมีดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นภาวนาสถานที่เป็นมงคลมีเทวดามานมัสการตั้งหมื่น ท่านรู้ได้ด้วยภาวนาขั้นละเอียดอับนุษย์ท่านก็รู้ได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเป็นคนเด็ดเดียวสละชีวิตถึงตายสลบไปสามคราวและท่านต้องการคนใจเด็ดเป็นสานุสิ์ท่านทำตัวของท่านใหม่อยู่ในตระกูลทั้งหลายไม่ทำตัวของท่าน ให้คุ้นเคยในตระกูลเลยการไปการมาของท่านไปโดยสะดวกมาโดยสะดวกไม่ขัดข้องในตระกูลท่านเป็นคนมากน้อยชอบใช้บริคารของเก่าๆถึงได้ไม่บริจาคทานให้คนอื่นข้อวัดหมดจดดีสติตั้งอยู่ในสติปัฏฐานเสมอเป็นผู้ไม่ละการวาจาพูดก็ดีเพศก็ดี ไม่อิงอามิตรลากสันเสริญวาจาตรงไปตรงมาตามอริยสัจ ต, ตามความรู้ความเห็นอ้างอริยสัจเป็นหลักฐานเสมอกายวาจาใจเป็นอาชาในล้วนท่านพระอาจารย์มั่นประพฤติตนเป็นคนขวัญขวายน้อยหมดจดในข้อวัดและหมดจดในธรรมะผลวิสัยเทวดาและมนุษย์ที่จะติเตียนท่านได้ ไม่เป็นข้อล่อแหลมในพระศาสนาท่านได้วัตถุสิ่งใดมาท่านสละทันทีสงเคราะห์หมู่พรหมจันทร์สิ่งอันใดท่านอยู่ที่ไหนเขาถวายท่านก็ให้เอาเก็บไว้ให้พระเนรใช้ณที่นั้นท่านไม่เอาไปด้วยมีคนเข้าไปหาท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่ดูคนท่านดูจิตของท่านเสียก่อน จิงแสดงออกไปต้อนรับแขกผู้มาพึงถิ่นอันหนึ่งท่านหันข้างและหันหลังใส่แขกท่านพิจารณาจิตของท่านก่อนแล้วพิจารณานิสัยของผู้อื่นนี้เป็นข้อลี้ลับมากต่อ น, นั้นถ้าจะเอาจริงเอาจังต้องประชันต่อหน้ากันจึงจะเห็นความจริงจิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปถึงฐานของธรรมนี้ มีราคามากบ่งความเห็นว่าเป็นอาชาในโดยแท้ท่านมีนิสัยปรอบโยนเพื่อจะคัดเลือกคนดีหรือไม่ดีในขณะนั้นท่านพูดเช่นนั้นท่านหันกลับเอาความจริงเพราะกลัวสิทธิจะเพลินนิสัยท่านเป็นคนใจเดียวไม่เห็นแก่หน้าบุคคลในเวลาถึงคราวเด็ดเดียวต่อทำวินัยจริงๆ บุคคลใจเด็ดจึงจะอยู่กับท่านได้เพราะนิสัยของท่านเป็นเช่นนั้นเป็นคนทำจริงเอาจริง ท่านพระอาจารย์มั่นหาบุคคลที่จะดูจริตของท่านได้ยากเพราะท่านเป็นคนนิสัยลึกลับจะรู้นิสัยได้ต่อเมื่อบุคคลที่มีภูมิจิตโดยส่วนเดียวท่านเป็นผู้มีอำนาจในทางธรรมะทำอะไรไม่ครั่งคลามชี้เด็ดขาดลงไปไม่คัดค้านใครนี่เป็นอัศจรรย์มากท่านถือข้างใน ปฏิปทาความรู้ความเห็นของท่านเกิดจากสันตุถีความสันโดษของท่านนิสัยท่านไม่เป็นคนเกียดคร้านขยันตามสมณะวิสัยหวังประโยชน์ใหญ่ในพระศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ที่สะอาดไตรจีวรและเครื่องอุปโภคบริโภคของท่านไม่มีเกลิ่นเลยถูกย้อมบ่อยๆ ท่านเล่าว่าท่านบวชในสำนักพระอรหันต์สามองค์แต่เมื่อชาติก่อนๆโ น, น, น้นท่านไม่ใคร่พระยากรใครๆเหมือนแต่ก่อนท่านพูดแต่ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวนิสัยท่านชอบเก็บเอาเครื่องบริขารของเก่ามาไว้ใช้เช่นจีวรเก่าเป็นต้นเพราะว่ามันภาวนาดี ท่านไม่ติดอามิตรติดบุคคลติดล่าบยศสันเสริญท่านถือธรรมะเป็นใหญ่ไปตามธรรมะอยู่ตามธรรมะท่านพูดธรรมะไม่เกรงใจใครท่านกล้าหาญท่านรับรองความรู้ของท่านฉะนั้นท่านจึงพูดถึงพลิกถึงขิงตรงอริยสัจพูดดังด้วยพูดมีปาฏิหาริย์ด้วยวาจา ที่บุคคลจะให้สิ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นวาจาที่สมถะวิปัสนาพอไม่บกพร่องกำหนดรู้ตามในขณะวาจาจิตวิการตรงไตรทวานสามคัคคีเป็นวาจาที่เด็ดเดียวคลังดีเข้มแข็งดีเป็นอาชาในล้วนวาจาไม่มีโลกธรรมปิดเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ พระเนนอยู่ในอาวาสท่านได้สติมากพระบารมีของท่านถ้าถืนประมาทจะเกิดวิบัติท่านพระอาจารย์มั่นเทวดาและอมนุษย์ไปนวัตสการท่านเท่าไรพันหรือหมื่นหรือแสนหรือท่านสามารถกําหนดได้ท่านระวังเทวดาและมนุษย์ประมาทท่าน ท่านมีระเบียบแม้จิตเล็กๆน้อยๆก็เป็นระเบียบหมดท่านพระอาจารย์มั่นท่านพูดคำโน้นคำนี้อยู่เสมอเพื่อจะให้สารุสิทธิ์หลงเพื่อละอุปาทานในสิ่งนั้นๆท่านทําสิ่งที่บุคคลไม่ดําริไว้สิ่งใดดําริไว้ท่านไม่ทํานี้ส่อให้เห็นว่าท่านไม่ทําตามปัญหาของบุคคล ดี่มริไว้จิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปตั้งอยู่ในอมตะธรรมและบริบูรณ์ด้วยมหาสติมหาปัญญามีไตรทวารรู้รอบมีได้กระทามความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งและมียานจำแจ้งรู้ทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันเพราะฉะนั้นสแสดงธรรมจึงมีน้ำหนักมาก ผลวิสัยคนที่จะรู้ตามเห็นตามเว้นแต่บุคคลผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิมาแล้วอาจจะฟังพระธรรมเทศนาของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งดีและบุคคลนั้นทมปัญญาสืบต่อสมาธิจิตของท่านพระอาจารย์มั่นตื่นเต้นอยู่ด้วยความรอบรู้ไม่หยุดนิ่งมีสติรอบรู้ไม่เผลอ ทั้งกายและวาจาเป็นผู้มีอริยธรรมฝังตั้งมั่นอยู่ในสันดานไม่วันไหวตอนนี้ไม่มีใครที่จะกล้าค้านพระธรรมเทศนาของท่านเพราะวาจาเป็นอาชาในาและมีไหวพริบแก้ปริศนาธรรมกายได้ เมื่อออกพรรษาแล้วอากาศแห้งแล้งท่านพระอาจารย์มั่นท่านชอบออกเลรกวิเวกอยู่ตามบ้านนอกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมตามสมณวิสัยที่บ้านนองน้ําเชม็มที่อยู่ห่างจากตัวเมืองราวสามร้อยเส้นเป็นหมู่บ้านที่ท่านชอบไปพักเป็นเวลานา น, านๆหมู่บ้านนี้มีป่าไม้ร่มรื่นดีเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมในขณะนั้นเราก็ได้ติดตามทุดงอุปถัมภ์ท่านพระอาจารย์มั่นโดยตลอด และได้รับโอวาทธรรมเป็นระยะ ะ, ยะผลของการปฏิบัติก็เป็นที่ยินใจการปฏิบัติร่วมกับพระอาจารย์มั่นที่วัดนนิเวศจนถึงหนองน้ำเชมจิตใจของเราบรรลุถึงผลอันน่าพอใจไม่เสียดายอาลัยทุกๆสิ่งในโลกคำสอนของพระศ า, ศาสดาประจักษ์ใจหายสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ทราบซึ้งในพระคุณของท่านพระอาจารย์มั่นที่อบรมสั่งสอนมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดน น, นิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาสองพรรษานับแต่จากเชียงใหม่มาพอออกพรรษาปีที่สองแล้วคณะศรัทธาจากทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่มชุวานนนเป็นต้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านพร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่าน ให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนครในปลายปีพุทธศักราช2484ท่านเข้าไปพักที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครคณะที่ท่านพักอยู่นั้นมีพระเนนพากันมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านไม่ได้ขาดท่านพักวัดป่าสุทาวาสครั้งนั้นมีคนมาขอถ่ายรูปไว้กราบไหว้บูชาเมื่อท่านถึงสกลนครและพักอยู่ที่วัดป่าสุทาวาส ได้สองสามวันท่านหลวงปู่เสากันตะสีโลก็มีจดหมายมานิมนต์ท่านเนื่องจากท่านหลวงปู่เสาป่วยหนักท่านพระอาจารย์มั่นจึงมอบหมายให้เราเดินทางไปอุบลแทนเพื่อพบกับท่านหลวงปูเ่เสาเราจึงออกเดินทางโดยรถยนต์ไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและเดินเท้าไปพบกับท่านหลวงปูเ่เสาที่วัดดอนธาตุอำเภอพิบูรณ์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับหลวงปูเ่เสาได้ประมาณสามถึงสี่เดือนหลวงปูเ่เสาก็ป่วยหนักขึ้นและเมื่อลุงปูเ่เสาท่านหายเป็นปกติแล้วท่านก็เดินทางไปทาบุญอุทิศให้พระบัณฑชาของท่านซึ่งอยู่ที่ลีผีประเทศลาวเมื่อท่านหลวงปูเ่เสาเดินทางไปแล้วเราและพระเพ่งผู้เป็นหลานของหลวงปูเ่เสาครูบาแจ้วครูบาเนียมและเ네นนกับผ้าขาว ก็ออกเดินทางด้วยเท้าผ่านทางดอนธาตุมุ่งไปยังอำเภอสุวรรณคีรีริมแม่น้ำโขงซึ่งใกล้กับปากแม่น้ำมูลซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงได้ปรากฏค้างคืนที่บนภูเขาที่อำเภอสุวรรณคีรีต่อมาได้มีผู้มานิมนต์ให้ไปพักอยู่ที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงเป็นที่ที่มีป่าใหญ่มากมีสัตว์นานาชนิดเช่นช้างเสือหมี และในน้ำยังมีปลาโลมาน้ำจืดเสียงร้องดังเหมือนเสียงบัวอีกทั้งสถานที่นั้นยังเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเกรงกลัวมากเพราะว่าใครจะไปตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้หากตัดต้นไม้ก็จะมีอันเป็นไปคือเจ็บไข้ได้ป่วยเราพาหมูคณะพักอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักได้นำคณะทุดงไปยังนครจำปาสัตตามคำนิมนต์ของโยมคำตัน ได้พาพระเนนทั้งหมดไปพักอย่างวัดอัมมาศนครจำปาสัก์ประเทศลาวมุ่งเพื่อจะไปให้ทันหลวงปูเ่เสาแต่คลาดกันท่านหลวงปู่เสาได้ลงไปที่หลีผีก่อนต่อจากนั้นได้สุงดงต่อไปที่ห้วยจ่าหัวเขตนครจำปาศักทางจากตัวเมืองราวสิบกว่ากิโลเมตรพักอยู่ที่นี่ราวสี่เดือนเป็นหมู่บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยราวสิปดหลังคาเรือน ในการพ่ดดงครั้งนี้พักอยู่กับพระเพลงสององค์เพียงเท่านั้นในการต่อมาพระกูมาวัดอมาตะให้คนถือจดหมายมาบอกให้ทราบว่าท่านหลวงปู่เสาป่วยหนักและท่านกำลังจะเดินทางมาโดยทางเรือมาถึงนครจาปาสักรประมาณห้าโมงเย็นให้เรากับพระเพลงมารอรับท่านเรือของหลวงปู่เสาจะมาถึงนครจาปาสัก ประมาณห้าโมงเย็นเสรเมื่อเรือของหลวงปู่เสามาถึงเรากับพระเพ่งก็ลงไปรับท่านในเรือพบว่าหลวงปูเ่เสาท่านมีอาการหนักมากจึงจัดไปหามเข้าไปในวัดอมาตพาท่านเข้าไปในพระอุโบสถท่านก็ทำกิริยาที่ประคองท่านขึ้นกราบพระเราก็ช่วยประคองท่านขึ้นเพื่อกราบพระเมื่อกราบพระลงครั้งที่สาม สังเกตเห็นท่านกราบนานผิดปกติจึงจับชิปจรดูจึงรู้ว่าชิปจรไม่ทำงานพระทั้งหลายที่อยู่ในพระอุโบสถก็ว่าหลวงปู่เสามรณาภาพแล้วหลวงปู่เสามรณาภาพแล้วเราจึงตะโกนพูดขึ้นว่าปู่ยังไม่มรณาภาพตอนนี้ปู่เข้าสมาธิอยู่ใครไม่รู้เรื่องอยาเข้ามายุ่งจึงพยุงท่านจากอิริยาบถนั่ง มาเป็นอิริยาบถนอนแต่ทำได้ยากเพราะท่านมีอาการจะดับขันอยู่แล้วขณะที่ประยุงให้ท่านนอนลงนั้นสังเกตเห็นมีพระเนรร้องไห้อยู่หลายรูปจึงไล่พระเนรเหล่านั้นออกไปเมื่อหลวงปู่สาวเข้าสู่อิริยาบถนอนท่านก็หายใจยาวๆสามครั้งแล้วท่านก็ถึงแจกมรณกรรมเมื่อเวลา 17.30 สศนวันที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4งพสิห้า จึงได้จัดเรื่องงานศพโดยส่งโทรเลขมายัางจังหวัดอุบลราชธานีพระและญาติโยมจึงได้จัดขบวนรถยนต์ไปรับศพท่านกลับมาอย่างจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ท่านหลวงปู่เสามรณภาพนั้นตอนนั้นเราบวชได้เพียงห้าพันษาเมื่อเสร็จภาราจิตรเรื่องงานศพของหลวงปู่เสาแล้วจึงเดินทุ ด, ดงจากประเทศลาวเข้ามาทางจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญนครพนมสกลนครเพื่อร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นและการเรียนเรื่องการมรณภาพของหลวงปูเ่เสาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครก่อนเข้าพรรษาได้มีพวกญาติโยมมาร่วมสร้างเสนาสนะเพื่อพิสษจผู้อยู่จำพรรษา ท่านพระอาจารย์มั่นจึงได้มอบให้เราไปควบคุมการก่อสร้างเสนาสนะจนแล้วเสร็จและได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโพกร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นในปีนั้นท่านพระอาจารย์มหาบัวก็ได้มาร่วมจำพรรษาในปีนั้นด้วยในระหว่างพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นชอบเรียกเราว่าเท่าขาเป๋หรือบางทีท่านก็มักเรียกว่าพากิริ้วห่อทอง แต่ท่านจะพูดจะสอนเพื่อเป็นคติอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นได้พูดถึงหลวงปู่ขาวว่าหมูเอ้ยให้รู้จักท่านขาวไว้นะท่านขาวนี่เธอได้พิจารณาถึงที่สุดแล้วหลังจากท่านกล่าวชมหลวงปู่ขาวแล้วท่านก็หันมาพูดเรื่องเราว่าเออหมูเอ้ ย, ม, อยมีหมู่มาเล่าให้เราฟังเรื่องการภาวนาที่เชียงใหม่เว้ย เธอปฏิบัติของเธอสามสี่ปีเหมือนเราลงที่นครนายกมันลงเหมือนกันเลยท่านพระอาจารย์มั่นท่านกล่าวย้ําอย่างนั้นท่านองค์นี่ภาวนาสามปีเท่ากับเราภาวนายี่สิบสองปีอันนี้เกี่ยวเนื่องกับนิสัยวาสนาของคนมันต่างกันการที่นําสิ่งที่ครูบาอาจารย์ชมมาเล่าไม่ได้หมายความว่ายกตนเทียมท่าน แต่การฝึกที่ปฏิบัติเร็วหรือช้านี้แล้วแต่บุญกรรมและความเพียรของใครของมันที่พูดให้ฟังนี้มิได้เทียบกับท่านแต่นําสิ่งที่ท่านพูดมาพูดให้ฟังจะได้รู้ว่าเบื้องหลังเราปฏิบัติมายังไงเมื่อเราจำพรรษาที่เสนาสนปะป่าบ้านโคกกับท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเราได้เกิดโรคชนิดหนึ่งคือโรคเส้นเอ็นรู้สึกปวดเส้นอย่างแรงคล้ายถูกงูรัด เป็นจากเอลงมาอาการปวดขยายออกไปทั้งตัวเดินไม่ได้ครูบาทองปานซึ่งเป็นสะธรร ม, มิกที่เคยอยู่เชียงใหม่กับหลวงปู่มั่นด้วยกันได้ทมยาขึ้นมาขนาดหนึ่งโดยเอาเข้าวสารแช่น้ำและตำเป็นน้ำแป้งขาวๆประมาณสี่ถึงาขวดเล่าแล้วเอาบอระเพ็ดกำใหญ่มาตำแล้วเอาน้ำใส่ กรองได้น้ำบารเพีชพอประมาณสี่ถึงห้าขวดเล่าเหมือนกันเสร็จแล้วเอาน้ำแป้งและน้ำบรเพชรีชที่ตำนั้นผสมกันแล้วเอาไปฝังทั้งขวดไว้ที่ใต้บันไดบ้านสามคืนจึงขุดเอามาฉันเวลาฝังให้จุกขวดโผล่จากดินประมาณหนึ่งนิ้วฟุตตามพระวินัยน้ำแป้งข้าวนั้นเราจะฉันนอกเวลาไม่ได้ จึงต้องฉันระหว่างเช้าถึงเที่ยงยานี้ฉันประมาณสามวันโรคที่เจ็บปวดตามเส้นนั้นก็หายไปตำรายานี้เป็นตำรายาของท่านพระอาจารย์สิงขันตยาขมงมีคุณสมบัติแก้ไข้มาลาเรียได้ด้วยขนาดของยาที่ฉันนี้ให้ฉันบันละหนึ่งขวดเล่าจนยาหมด